ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในรายการบ้านเมืองหน้าอยู่เวลา 9.10 นาิกาทีถึง0 0 0นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 m เ z มสวัสดีครับพบกับรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรซรายการบ uh ้านเมืองหน้าอยู่นะครับพบกับท่านผู้ฟังทุกวันพะหัสบดีในเวลา9 1 0นาิกาาทีถึงส0นาฬิกาวันนี้พบกันก็ตรงกับวันพะหัสบดีที่31กรกฎาคม2557ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับกับเดือนกรกฎาคมวันนี้ผมพิทยาแสงรุ่งผูด้ดำเนินรายการครับ รายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับเป็นรายการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้ว่าอดิศักดิ์เทพอาจแล้วก็ทางด้านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนมนะครับก็จะได้นําข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆนะครับมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับซึ่งรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ในวันนี้ก็มีท่านเกษตรจังหวัดนครพนมร่วมในรายการนะครับในช่วงแรกก็จะนําเรื่องของ การมอบถุงพระราชทานให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสีสงครามที่ได้รับผลกระทบจากาน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ยืนต้นปลูกไม้ผลยืนต้นครูเรือนละต้นนะครับเนื่องในโอกาสสำหรับประเทศพระราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558มาพูดคุยในรายการในช่วงแรกนะครับต่อจากนั้นทางด้าน ธนารัก์พื้นที่นครพนมก็จะได้นําเรื่องของการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการนําที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานมาพูดคุยในช่วงที่2ของรายการนะครับกับในช่วงแรกนี้ครับนำท่านผู้ฟังไปพบกับคุณนัทกิจของทิพย์เกษตรจังหวัดนครพนม สวัสดีครับท่านเกษตรจังหวัดครับครับสวัสดีครับท่านครับครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องเกษตรกรชาวนครพนมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมนายนัฐกิจของทีฟเกษตรจังหวัดนครพนมวันนี้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านอดิศักดิ์เทพอาธให้มาทํารายการแทนท่านผู้ว่าครับนะครับเกี่ยวกับโครงการสองสาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรครับผมครับอย่างในเรื่องแรกนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการมอบถุงพระราชทานเนี่ยครับท่านครับความเป็นมาของการมอบถุงพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับานเกษตรจังหวัดครับเริ่มต้นคือเราได้รับการประสานงานจากทางพี่น้องทางระดับในระดับตำบลหมู่บ้านแจ้งความจำงและความเดือดร้อนเกี่ยวกับได้รับผลกระทบจากไผยน้ำท่วมนะครับเราก็ได้ให้ทางทีมงานของสำนักงานเกษตรอาเภอไปสารวจดูว่า ส่วนไหนที่พี่น้องได้รับความากระทบกระเทือนในเรื่องอภัยธรรมชาติตรงนี้มากที่สุดก็เป็นที่มาของ เ, อเราได้สํารวจแล้วก็ได้พบว่าอํเาเภอศรีสงครามมีพี่น้องเกษตรกรที่ทํานาแล้วก็ที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของอภัยจากน้ําท่วมครั้งนี้ก็เลยก็เลยนําเรียนไปทางอากองงานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เพื่อขอพระราชทานสิ่งของมามอบให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนครับครับในเบื้องต้นมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนครับท่านครับในเบื้องต้นนี้ที่ได้รับที่จากรายงานมานี้พันกวอบครัวเรือนครับครับครับ <c oughs> ก็ครั้งนี้เราก็ได้รับพระราชทานของออจากกองงานของสมเด็จพระบรมมสาราชทิราชสยมกุฎราชกุมารที่จะท่านจะมาพระราชทานให้กับชาวจังหวัดนครพนมนี้ ประมาณพันพันขัวเรือนครับพันขัวเรือนซึ่งก็เป็นพี่น้องประชาชนที่ได้รับประสบภัยิบัติกับน้ําท่วมในช่วงปีที่แล้วหรืปีนี้ครับปีนี้ครับปีนี้ปีที่ช่วงที่ฝนตกหนักๆครับตรงนี้ครับครับเพราะฉะนั้นคือทราบแล้วว่าพี่น้องประชาชนประมาณพันขัวเรือนครับที่จะได้มาในการรับพระราชทานถุงพระราชทานเนี่ยนะครับการดําเนินการในส่วนของเกษจังหวัดเองมีการจัดเตรียมสถานที่ดําเนินการในด้านของการเตรียมความพร้อมตรงนี้อย่างไงบ้างครับท่านครับ สําหรับการการเตรียมสถานที่เราก็ได้ไปได้พูดคุยกับทีมงานทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นส่วนตําบลทีเ่เทศบาลตําบล น, นาขาบ้านบ้านบ้านขานะครับซึ่งเป็นตําบลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก็ได้เตรียมการสถานที่ในงานวันดังกล่าวนี้เราได้เตรียมสถานที่ที่จะพระราชทานสิ่งของดังกล่าวที่หน้าโรงเรียนบ้านบ้านขาวิทยาคมนะครับ ที่ตำบลบ้านขาอำเภอสีสงครามส่วนของการเตรียมสถานที่อะไรต่างๆแล้วจำนวนพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็จะมาได้รับของพระราชทานนี่เราได้เตรียมการไม่หมดแล้วครับครับครับไม่ไม่ทราบพอจะทราบไหมครับว่าผู้ที่จะมาเป็นมามอบถุงพระราชทานนี่ครับจะเป็นจะเป็นใครครับท่านครับทราบโดยเป็นผู้แทนพระองค์นะครับคือท่านพลตรีศรชัยนะครับชีวากินสักนะครับที่จะเป็นผู้แทนพระองค์มามอบในวันดังกล่าว จะเริ่มจะมามอบในวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเวลาประมาณ11บเนาฬิกานะครับหน้าลงหน้าหอประชุมโรงเรียนบ้านขาพิยาคมที่เราเตรียมการไว้ครับครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็จะเข้ามาในการรับมอบถุงพระราชทานนี่จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมอะไรยังไงบ้างรครับออสําหรับพี่น้องเกษตรก ร, ร, กรนี่ไม่ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรครั บ, ค, รบคือเราได้สํารวจไว้ว่าออพี่น้องเกษตรกร ที่จะมารับในวันนั้นน่ะเราก็จะมีอาหารว่างมีน้ําอะไรเตรียมพร้อมไว้สําหรับรอรับของพระราชทานนะครับครับช่วงกลางวันก็จะมีข้าวกลางวันให้รับประทานนะครับทางองค์การบริหารส่วนตําบลนาขาก็จะจัดข้าวอาหารกลางวันให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนไว้ได้ได้รับประทานช่วงอาหารกลางวันได้นะครับเพราะว่ามาแต่ตัวเปล่าๆเอาใจมาอย่างเดียวครับเพราะนั้นครับเพราะว่า เรารู้แล้วว่าพี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเราก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะครั บ, รบก็ได้ออกสำรวจตรวจตราทุกอำเภอที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของภยัยธรรมชาติภยัยจากจากฝนจากน้ำท่วมเราก็ได้สำรวจแต่ว่าพบว่าอำเภอสีสงครามเป็นอำเภอที่มีน้ำท่วมมากที่สุด ณปัจจุบันนี้นะครับแลวพี่น้องเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนท่านก็มาขอรับความช่วยเหลือได้ในส่วนนี้ส่วนในพื้นที่ไร่นาการเกษตรนะครับที่ได้รับความเสียหายเราอยู่ในระหว่างการสำรวจนะครับสำรวจว่าพื้นที่ของท่านเสียหายมากน้อยแค่ไหนและจะขอความช่วยเหลือมาไปกับทางรัฐบาลอีกทีหนึ่งครับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้น ขอให้ทางด้านท่านเกษตรจังหวัดได้เน้นย้ําถึงวันเวลาสถานที่ครั้งหนึ่งนะครับว่าการมอบถุงพระราชทานจะมีขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนและอย่างไรครับท่านครับครับขอบคุณมากครับก็ขอให้พี่น้องชาวตําบลบ้านข่านะครับและตําบลใกล้เคียงที่เราที่ทางสํานักงานเกษตรอําเภอศรีสงครามนะครับทางเจ้าหน้าที่เกษตรตําบล น, นะครับที่ได้แจ้งให้ท่านมารับของพระราชทานในวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับก็ ขอให้เดินทางมารับของพระราชทานมาตั้งแต่สองโมงเช้านะครับเป็นต้นไปเราจะเริ่มทำพิธีแจกในเวลาประมาณ11นาฬิกาก็ขอให้พี่น้องมาพร้อมกันอย่างช้าสุดก็ไม่เกิน10เอ่อโมงครึ่งนะครั บ, รบให้มาพร้อมกันที่หนะาา้าศาลาไอ้นะหอประชุมโรงเรียนบ้านนาะบ้านขาวิทยาคมนะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกร มาแต่เช้าๆหน่อยนะครับเรามีอาหารเที่ยงให้รั่นรับประทานมีน้ํามีอะไรพร้อมอยู่แล้วนะครับก็มามาพร้อมๆกันแล้วจะได้ทําพิธีรับของพระราชท า, านไปครั้งเดียวเลยนะครั บ, รบในการพระราชในการพระราชท า, านของในครั้งนี้เราก็จะมีพวกเด็กๆต่างๆเราก็จะมีนมนมเม็ดนมกลองนะครับจํานวนหนึ่งที่แจกใจ่ายให้กับเด็กต่างๆที่ตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณรอบรอบ ตำบลในหรว่าในตำบลนะครับแล้วก็มอบพระราชทานสิ่งของให้กับพระสง์จํานวน50รูปนะครับที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครั้งนี้นะครับครับนั่นก็เป็นประเด็นเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่กองงานพระราชพาลราชายานะครับเป็นผู้ที่จะมามีผู้แทนมามอบถุงพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผล กระทบจากภาวะน้ําท่วมนะครับที่โรงเรียนบ้านขาพิทยาคมตะบลบ้านขาอำเภอสีสงครามนะครับมาที่เรื่องของโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ปลูกไม้ผลยืนต้นครูเรียนและต้นนะครับเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมาายุครบ60สพรรษาวันที่ 2, สองเมษายนสอ5พันะครับก็เรียนฐานทั้งเสด็จจังหวัด น, นะครับว่าความเป็นมาของโครงการนี้เป็นมาอย่างไรบ้างครับท่านครับ ครับโครงการโครงการนี้นะครับกเ็เป็นการโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตินะครับของสมเด็จพระเทเพพระรัตนาราชสุดาสยามสยามบ ร, รมราชกุ ม, มารีนะครับเนื่องเรื่องด้วยว่ากระทรวงกรเกษตรได้ทําโครงการดังกล่าวขึ้นมานะครับเพื่อสนองเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับในวนราระกาตที่พระ อ, องค์ท่านมีพระชนมายุครบ60สพรรษา ในวันที่2เมษายน2558นะครั บ, รบก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้รับมอบมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเราก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรทั้งจังหวัดในจังหวัดนครพนมนะครับรณลงกันปลูกไม้ผลนะครับชนิดไหนก็ได้ในครัวเรือนละานต้นนะครับเพื่อ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันโลกาดังกล่าวนะครับก็ก็ทางสํานัก ง, งานเกษตรอําเภอก็อยากจะขอเชิญชวนสํานัก ง, งานเกษตรจังหวัดก็อยากขอเชิญชวนพี่น้องกเกษตรตะกรทุกตําบลทุกหมู่บ้านร่วมกันนะครับปลูกไม่ผลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันโลกาดังกล่าวครับผมบในด้านของการให้คําแนะนําเรื่องของการปลูก คำแนะนําเรื่องของการแช้สถานที่ต่างๆมีการประสานกับเกษตรอําเภอในการดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ยังไงบ้างครับเพือ่ อ, อ, อเป็นการอนวความสะดวกในเรื่องนี้ครั บ, ร บ, รบในเรื่องในเรื่องของอการประสานงานแล้วก็อานวยความสะดวกต่างๆเนี่ยทางทีมงานของสํานัก ง, งานเกษตรจังหวัดก็ได้แนะนําให้สํานัก ง, งานเกษตรอําเภอในในที่อยู่ในสังกัดทั้งหมด12อําเภอได้ไปให้คําแนะนํานะครับให้ไปคําแนะนําให้กับพี่น้องเกษตรกรรณรงค์ ร่วมกับการลดต้นทุนการผลิตนะครั บ, รบในเรื่องของลดต้นทุนการผลิตข้าวในการลดต้นทุนการผลิตข้าวเนี่เราก็จะนําโครงการดังกล่าวเนี่ยไปไปขยายแล้วก็ไปแนะนําให้พี่น้องเกษตรก ร, ร, กรได้เรียนรู้ถึงการปลูกไม้ผลนะครั บ, รบชนิดต่างๆในในโครงการดังกล่าวเราก็จะไปเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยพูดง่ายๆคือคือไปครั้งเดียวเนี่ยในการไปสํารวจพื้นที่พี่น้องอ เกษตรกรที่ทำนาเราก็จะเอานำโครงการดีๆไปร่วมด้วยรวมทั้งโครงการลดพื้นที่การปลูกข้าวรณนลงให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของสมเด็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเทพนะที่ท่านได้รณนลงไว้แล้วก็อีกคือโครงการหนึ่งคือโครงการปลูกไม่ผลเพื่อเฉลิมพระเกียนนรติคอไปครั้งเดียว ผูหลายเรื่องนะครับคือให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่ที่สําคัญที่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปจะได้รับทราบกันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีมีความสําคัญแล้วก็มาร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าปัจจุบันพูดถึงเรื่องของไม้ผลต่างๆก็อาจจะมีมีมากเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ถูกตัดไปนะครับใช่ไหมครับท่านคำครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มเพิ่มเป็นเพิ่มอย่างน้อยก็มีพี่น้องเกษตรกรก็มีไม้ผลครับ แต่หลายหลายชนิดไว้รับประทานในในบ้านเรารในครัวเรือนนะครับไม่ต้องไปซื้อหาอย่างน้อยก็มีขนุนมีลำไ ย, ยนะครับมีลิ้นจี่นครพนมเราก็มีลิ้นจี่ที่ที่อร่อยนะครั บ, รบ ก, ก็อยากจะชิญชวนพี่น้องเกษตรก ร, เ, กรเนี่ยได้ปลูกลิ้นจี่ซึ่งต้นพันธุ์ต่างๆเนี่ยทางทางศูนย์วิจัยพันธุ์พืชนครพนมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีจะมี เป็นบางส่วนที่แจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนในสํานักงานเกษตรจังหวัดที่ที่พอจะแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นบางส่วนแต่ว่าถ้าจะแจกครบทุกทุกหลังคาเรือนในในจังหวัดนครพนมไม่คงไม่เ <โอ S 2> พ<ร>ียงพอนะครับครบส่วนหนึ่งเราได้รับโครงการโครงการพัฒนาจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านอดิศักดิ์เทพาเนี่ยท่านได้อนุมัติโครงการ ที่สำคัญสำคัญให้กับพี่น้องเกษตรก ร, ร, กรในจังหวัดนครพนมเนี่ยในปี 2,557 นะครับท่านได้อนุมัติโครงการโครงการส่งเสริมการปลูกมะขามเปรี้ยวฝักโตให้กับพี่น้องเกษตรก ร, ร, กรในเขตอำเภอนาแกปลาปากนะครับเลนูนครและก็เป็นอำเภอเมืองเป็นบางส่วนนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้มารณนาลงปลูกร่วมกันกับไม้ผลชนิดอื่นๆนะครับ โดยเฉพาะมะขามเปรี้ยวนี่เป็นเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นก็ถือว่าเป็นไม่ผลนะครับแล้วก็เป็นไม่ผลเศรษฐกิจพูดง่ายๆซะเพราะว่าหน้าวันนี้มะขามเปรี้ยวนี่ราคาดีกว่ามะขามหวาน นะครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้โดนลงว่าห้ามปลูกมะขามหวานปลูกได้นะครับมะขามหวานก็ปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนได้นะครับครั บ, ตนนรบแต่พูดถึงพื้นที่ของจังหวัดนครพนมเนี่ยครับท่านครับพื้นที่แต่และพื้นที่จะมีผลต่อการปลูกไม้ผลที่เหมือนกันหไหมครับท่านครับอย่างเช่นมะขามเปรี้ยวอาจจะปลูกที่อื่นได้ไหมครับหรือว่าจะพเพาะมะขามโดยทั่วไปมพืชของตระกูลมะขามทั้ง ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะครับทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะมะขามนี่สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ของในจังหวัดนครนครพนมนะครับลิ้นจีนี่ก็สามารถปลูกได้นะครับโดยเฉพาะพันนครพนมนี่เราสามารถปลูกได้ได้ทุกในพื้นที่ในในเขตจังหวัดนครพนมแต่ว่านอกเหนือจากจากลิ้นจีแล้วก็มีมะม่วงส่วนมากไม้ผลต่างๆก็จะไม่ไม่ค่อยมีผลต่อต่อสภาพภูมิอากาศแล้วก็ดินในในเขตนครพนมสามารถปลูกได้ปลกหมดชนิดครับผมครับครับเพราะฉะนั้น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้ไม้ผลยืนต้นโคลนละต้นนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมัยพระเทพรัชศรุตดาสยามบรมราชาภิรมย์ทรงมีวัชนามายุครบ60สพรรษา2เมษายน2558นะครับซึ่งก็มีช่องทางคือว่าถ้าเข้าร่วมโครงการแล้วสามารถจะลงทะเบียนบันทึกผลการปลูกผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับซึ่งในข่าวก็บอกว่าสามารถที่จะส่งข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อที่จะเป็นการ บอกถึงผลร่วมกันนะครับว่าการปลูกทําไมเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงแรกของรายการนะครับก่อนที่ทางรายการบ้านเมืองหน้าอยู่จะได้ไปสัมทนาพูดคุยกับทางด้านสํานักงานธนานักพื้นที่นครพนมนะครับก็อยากจะให้ท่านเกษตรจังหวัดนั้นนะครับได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนครพนมนะครับว่าในเรื่องของการทําการเกษตรในพื้นที่ของนครพนมเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่อยากจะแนะนําให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนเวลานี้ครับท่านครับครับก็ ทางสำนัก ง, งานเกษตรจังหวัดนครพนมนะครับก็ได้รับนโยบายจากทางากระทรวงเกษตรทางคอส ช, อชอที่ดูแลประเทศในวันนี้นะครับาทางนโยบายของคอส ช, อชอที่ที่ในนับปัจจุบันนี้ก็ในทางช่วยเหลือเกษตรกรก็มีหลายช่องทางที่ทางสำนัก ง, งานเกษตรจังหวัดรับรับผิดชอบอยู่นะครับ1ในโครงการนั้นก็คือโครงการลดต้นทุนการผลิต นะครับลดต้นทุนการผลิตซึ่งโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทางสานัก ง, งานเกษตรจังหวัดก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้ติดบอร์ดบิดป้ายประกาศทวดทั้งจังหวัดแล้วนะครับที่ที่ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะไปขอรับความช่วยเหลือว่าการลดต้นทุนการผลิตข้าวเนี่ยเราควรจะทาอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้ครับแล้วก็มีโครงการรณลงการใช้สารชีวพันธุ์ของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตเนี่ยลดการใช้สารเคมีเราเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาใช้สารชีวพันธุ์สารชีวพันธุ์คืออะไรนะครับสารชีวพันธุ์ก็คือสารที่ใช้ทดแทนสารเคมีแต่ว่าเป็นสารตัวนี้เนี่ยจะจะใช้ในการกาจัดโรคพืชและก็แมลง ที่ไปทำลายศัตรูต้นไม้หรือว่าสิ่งปลูกสิ่งที่เราปลูกไปเช่นข้าวต้นไม้อะไรต่างๆนะครับยางพาราสับปะรดต่างๆที่เราได้ลงไ ด, ไ, ดได้ได้ได้มีการปลูกไปแล้วเนี่ยเราแทนที่เราจะใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและก็แมลงศัตรูพืชเราก็หันมาใช้สารพวกนี้ซึ่งสารพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นประโยชน์ ต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผู้ใช้และก็ผู้บริโภ ค, คนะครับซึ่งจังหวัดนครพนมเนี่ยในเรื่องของนาข้าวเนี่ยเราโดนรณรงค์ร้อเลยนะครับในนาข้าวของนครพนมเราเนี่ยรณรงค์ไม่ให้ใช้สารเคมี1 0 0ยเเลยครับฉะนั้นข้าวของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกในจังหวัดนครพนมนี่แหละก็จะเป็นข้าวที่ปลอดสารเคมีนะครับเป็นข้าวที่ปลอดภัยปีนี้เราได้รณรงค์ไปแล้วนะครับทั้งจังหวัด นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งและโครงการลดต้นทุนดังกล่าวเนี่ยทีนี้นโยบายของคอสอชอเนี่ยท่านได้มอบนโยบายให้มีการลดปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ถือติดมือมามาด้วยนะวันนี้ก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะแจ้งว่าให้พี่น้องเกษตรกรว่าปุ๋ยส่วนไหนบ้างที่ลดราคาสาร ชีว่าพันธุ์ตรงไหนบ้างมเมล็ดพันธุ์ตรงไหนเนี่ยซึ่งถ้าพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับก็สอบถามมาได้นะครับสอบถามมาได้ติดต่อประชาติดต่อได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอนะครับถ้ามีปัญหานะครับพูดถึงกระแสดตอบรับของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตข้าวเนี่ยนะครับมีมีการสอบถามมีการพูดถึงวิธีการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้ยังไงบ้างมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนครับท่านครับ โอกาสทำได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งจังหวัดนครพนมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับต้นทุนการผลิตก็จะต่ำกว่าหลายๆจังหวัดเพราะพี่น้องเกษตรกรของชาวจังหวัดนครพนมเนี่ยนิยมการใช้อินรีมากกว่าเคมีคนะครับเราเราเราได้โดนมาลงมามาหลายปีแล้วนะครับฉะนั้นข้าวที่เกิดที่พี่น้องผลิตเนี่ยต้นทุนก็จะต่ากว่าหล า, หลายจังหวัด <C> e <an> เพราะเราได้มีการรณรงค์นี้มาติดต่อต่อเนื่องกันมาหลังฤดูทํานาเราก็หลังเก็บเกี่ยวเราก็ได้รณรงค์ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไถยกบต่อฟังต่ <C> e <an> อฟังข้าวนะครับแล้วก็รณรงค์ให้มีน้องใช้พืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน <C> e <an> ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้ทํามาต่อเนื่องหลายปีฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรก็ที่เกษตรกรครอบครัวไหนที่ ได้ทำตามความแนะนำของของทางเกษตรเจ้าที่เกษตรเราก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้ถึงไม่น้อยกว่า 30-40% บเครับในในในผลผลิตในต่อไร่นะครับครับครับก็เป็นอ่ส่วนของข้อมูลนะครับส่วนหนึ่งที่รายการบ้านเมืองน่าอยู่ในเช้าวันนี้ครับที่ได้พูดคุยกับทางด้านท่านเกษตรจังหวัดนครพนมนะครับท่านนักกิจของทิพย์นะครับที่ได้มา พูดคุยท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องของการมอบถุงพระราชทานนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมนะครับที่โรงเรียนบ้านขาพิทยาคมตําบลบ้านขาอําเภอสีสงครามนะครับแล้วก็โครงการเฉลิมพระเกียตรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัเรือนลต้นนะครับเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพระ ร, ราชดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมาายุครบ60สพรรษา2เมษายน2558นะครับ แล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับการทําการเกษตรนะครับของพี่น้องเกษต ร, รกรในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะพี่น้องชาวนานะครับที่ได้ทําการปลูกข้าวนะครับก็จะมีการลดต้นทุนการปลูกข้าวลงนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มกําไรในการดําเนินการนะครับในเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเกษตรจังหวัดนครพนมครับที่ได้ให้เกียรติร่วมในรายการบ้านเมืองน่าอยู่ในเช้าวันนี้ขอบคุณท่านมากครับครับขอบคุณมากครับท้ายท้ายนี้ผมขอฝาก ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรอีกนิดนึงครับถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีปัญหาเรื่องของการเกษตรนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ามาที่สํานักงานเกษตร อ, อรําเภอหรือว่าสํานักงานเกษตรจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์โทรของสํานักงานเกษตรจังหวัดโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ นะครับเบอร์โทรของสํานักงานเกษตรจังหวัดนะคร042520866นะครับก็ติดต่อในในวันเวลาราชการนะครับก็พี่น้องเกษตรกรท่านใดก็ถ้ามีปัญหาเรื่องของการเกษตรไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการซื้อปุ๋ยซื้อยาราคาแพงยังไงก็แจ้งมาทางสํานักงานเกษตรจังหวัดได้ทางนิมทีมงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะไปดูแลพี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของคอสชนะครับแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับวันนี้ก็ขอพบปะพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันมีโอกาสหน้าแล้วก็จะได้มาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณท่าฟังครับในช่วงนี้ทางรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ก็จะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ ในช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสำนักงานทานารักพื้นที่นครพนมนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอเนืองมาจากพระราชดำริแล้วก็โครงการนำที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารแล้วก็พืชทดแทนพลังงานช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ พี่น้องชาวจังหวัดนครปนมที่เคารพกราบพระผมในอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครปนมขอเชิญชวนนะครับร่วมแต่งกายด้วยชุดภาพื้นเมืองมีผ้าเฉลียงบ่าในประเพณีตักปัดข้าวเหนียวเนื่องในเทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะว่าวันนี้จังหวัดนครปนมเรามีต้นจุดการท่องเที่ยวอยู่แล้วทั้งในเรื่องของแม่น้ำโขงที่สวยสดงามแล้วก็เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาสืบสารมาเที่ยวชมประเพณีของจังหวัดนครปนมีมองค์พระธาตุปนมที่ศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญชวนนะครับให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีแบบร่างเดิมของชาวนครปนมให้คงอยู่สืบไปครับจะอยู่่หงไกกลลแตใวดี มีระาาาคลสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมทุกท่านครับกระผมนายวิสันเสกสิริธนรักษ์พื้นที่นครพนมนะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริการจังหวัดนครพนมให้มาพบปะกับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ที่ราพสัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ โครงการหมู่บ้านสตรีพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการนําที่ดินรับหนุนสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานครับโครงการนี้นะครับทางสืบเนื่องมาจากว่ากรมธน ร, รักษ์มีนโยบายที่จะนำทีราพัสดุมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้โครงการตามแนวพระรดําริผ่านหน่วยงานต่างๆของส่วนราชการ แล้วประชาชนก็สามารถจะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเองนอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะนำที่ดินลรละพดุไปสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารและพลังงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ เป็นการเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานนะครับในเรื่องนี้ทางจังหวัดนครมันก็ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการนำที่ดินมักดุกไปสนับสนุนโครงการตามแนวพดดระาัดํารีและโครงการนำที่รับผักดุลไปสนับสนุนการปลูกพืชทหารและพืชทดแทนพลังงานประจําปีงบประมาณพศ 2,557 ครั้งที่1ทับ 2,557 เมื่อวันพุธที่9กรกรกฎาคม2557น้าห้ณห้องประชุมพระธาตมหาชัยศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่ชั้น4ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้นำที่ดินราพัสุกุแปลงที่ตั้งกองร้อย อ, อสอแปลงหมายเลขทะเบียนที่นพสิบเอ็ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเนื้อที่ประมาณ8ไร่ เป็นโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งที่ดินแปลงนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดได้ดำริเริ่มด้วยตัวของานเองนะครับที่จะนำที่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองตรงข้ามกับโรงเรียนนครพนมวิทยาคม นะครับตรงข้ามกับสนามกีฬากลางจังหวัดใกล้ๆ ก, ก, กับสถานีขนส่งจังหวัดนครพนมนะครับตรงที่เราไปทำไปกับขี่ไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตรถยนต์ต่างๆนะครับตรงนั้นเนื้อที่ประมาณ8ไร่นะครับท่านประสงค์ที่จะใช้ที่ตรงนี้ทำโครงการตามแนวพ ร, ราสลิกเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยให้หน่วยงานต่างๆของจังหวัดนครพนมที่เกี่ยวเรื่องการ กเกษตรปศุสัตว์อะไรต่างๆประมงเนี่ยนฮะทุกเรื่องแม้แต่เรื่องการพัฒนาที่ดินนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับโดยเป็นคล้ายๆกับแต่และหน่วยงานมามามาตั้งหน่วยงานตรงนี้รับใช้ประชาชนด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาตรงนั้นให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะครับเมื <c> ่อ <oughs> ประชาชนมาติดต่อนะครับก็จะสามารถที่จะติดต่อตรงนี้ที่เดียวเลยนะครับเราก็จะได้บริการครบวงจรนะครับคล้ายๆกับวันสต็อปเซอร์วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรการทำมาหากินของมิตน้องประชาชนเนี่ยทุกเรื่องนะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้มีปัญหาอะไรก็มาติดต่อกับราชการตรงนี้ได้เลยนะครับท่านมีความประสงค์อย่างนั้น และก็อีกอันนึงที่ตรงนี้นะครับท่านได้ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองนะครับโดยนำลูกหลานของพี่น้องประชาชนที่ติดยาเสพติดนะครับเข้ามาฟื้นฟูบำบัด ต, ตรงนี้นะครับนอกจากลูกหลานเราจะได้สุขภาพดีนะครับแล้วยังสามารถที่จะมาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้ความรู้จัก ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเป็นอาชีพติดตัวไปในเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ในอนาคตนะครับที่ตรงนี้ท่านก็ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนนะครับโดยขุดลอกอพื้นที่ตรงนั้นนะครับจากเดิมที่เป็นที่แห้งแล้งเนี่ยก็ขุดลอกอเป็นเป็นบ่อขึ้นมา นะครับแล้วก็ให้ทางประมงจังหวัด เ, เข้ามาช่วยในการที่จะทำให้ที่ตรงนั้นที่แห้งแล้งนี่สามารถเก็บ ก, กับน้าได้นะครับซึ่งก็ได้ผลไปที่น่าพอใจนะครับตอนนี้สามารถเก็บกับ น, น้นได้เยอะมากครับแล้วก็มีการปลูกพืชบางส่วนแล้วนะครับต่อไปก็จะให้หน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัพว์จังหวั ด, ว ด, วดชนระทานนะครับสถานีพัฒนาที่ดินปฏิรูปที่ดินศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนะครับทุกหน่วยงานนะครับของจังหวัดนครพนมเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับมาตั้งเป็นหน่วยย่อยๆเลยล่ะนะครับบริการพี่น้องประชาชนที่ตรงนี้ได้ครบเลยนะครับ เพราะว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่ที่อยู่ใจกลางเมืองสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการที่จะเข้ามารับบริการนะครับก็ท่านมุ่งหวังว่าจะทําให้ที่ตรงนี้เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าท่านจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ศูนย์ตรงนี้ก็จะต้อง เ, อเป็นศูนย์เรียนรู้ของอพี่น้องประชาชนไปตลอดนะครับ ท่านก็อย่างนั้นนะครับอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกในที่ประชุมในวันนั้นก็คือที่ดินและพัสดุแปลงที่ตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22แปลงหมายเลขทะเบียนที่นพ .1311 ตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแก่จังหวัดคนครพนมเนื้อที่ประมาณ107ไร่ 91.6 ตารางวานะครับ เป็นโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างนะครับซึ่งที่ตรงนี้นะครับทางหน่วยราศการเคลื่อนที่22นั้นได้นำเินการไปบ้างแล้วนะครับมุ่งหวังว่าจะช่วยพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นและก็ที่อื่นนะครับสามารถที่จะ เป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคื อ, อมีการนำเอาชาวบ้านนะครับที่มีความยากจนเข้ามาอยู่ในนี้นะครับแบ่งที่ดินให้นะครับแล้วก็ให้แต่ละคนนั้นปลูกพืชผักสวนครัวปลูกทุกอย่างนะครับที่กินได้นะครับสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องซื้อหานะครับท่านมีมาก สามารถก็จะสามารถที่จะนำไปขายได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราสามารถที่จะไปดูตัวอย่างได้อยู่ที่บ้านแก้งอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับติดกับทางหลวงแผ่นดินจากท่าพนมไปสกลนครนะครับเนื้อที่ประมาณร0อไร่นะครับ ตรงนี้ก็นอกจากจะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ยังจะทำเป็นฟาร์มตัวอย่างนะครับเป็นโครงการตามพระราชบัญิเหมือนกันนะครับฟาร์มตัวอย่างซึ่งนาแกนี้ได้ชื่อว่าเป็นอำเภอที่เลี้ยงโคขุนนะครับเลี้ยงโคขุนได้สามารถที่จะทําเป็นส่งออกได้นะครับส่งเสริมชาวบ้านเลี้ยงนี่กับ ขายได้กิโลหนึ่งตั้ง4 0 0หบาทนะครับเพิ่มมูลค่าได้เยอะนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้มีการส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเบียนะครับหญ้าเนเปียตัวนี้นอกจากจะใช้เลี้ยงสัตว์ได้แล้วยังสามารถที่จะนำไปขายให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมซึ่งอยู่ที่ อำเภอปลปากนะครับสามารถที่จะปลูกหญ้าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงโคแล้วเลี้ยงสัตว์แล้วยังขายให้กับการไฟฟ้าได้ด้วยนะครับก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับพี่น้องชาวนครพนมนะครับอีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการของกรมธนลักษ์นะครับก็คือการ นำที่รับพัสดุไปสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารและพลังงานนะครับอันนี้ในที่ประชุมก็ได้คัดเลือกนะครับที่ดินรละพัสดุแปลงที่ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากา ร, กรเกษตรและควพนมแปลงหมายเลขทีเบียนที่นพ1302 1303และ1304ตํานตำบลขามเท่า อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเนื้อที่ประมาณ92ไร่นะครับเป็นโครงการปลูกพืชอาหารนะครับปลูกผลไม้นะครับแล้วก็มีพืชทดแทนพลังงานนี่ก็ได้มีการคุยกันในที่ประชุมว่ า, ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ที่ทำไปแล้วก็ จะมีพวกยางพารานะครับที่ ท, ที่ที่ทางสูย์วิจัยทำไปแล้วนะครับซึ่งก็มีการถูกเย็นว่าไอ้ยางพารานี่เป็นพืชทดแทนพลังงานได้ไหมนะครับสุดแล้วก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่ใช้ได้นะครับเพราะว่าเนื้อไม้ของอยางพารานั้นสามารถที่จะเอาไปทำวัสดุของโรงไฟฟ้าเชียมวลที่ ขององค์การบริหารจังหวัดที่ที่ปาปากได้นะครับสามารถที่จะขายเนื้อไม้ได้หรือจะทำเฟอร์นิเจอร์หรือจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากที่เราใช้อย่างจนสิน้นหมดหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับก็สามารถที่จะขายเป็นพืชพลังงานได้นะครับแล้วก็พืชพลังงานอีกตัวหนึ่งที่ ที่น่าสนใจก็คือพวกปลาล์มน้ำมันนะครับปลาล์มน้ำมันอ้อยมันสำปะหลังพวกนี้สามารถที่จะเอามาทาเป็นพลังงานทดแทนได้นะครับอย่างปลาล์มน้ำมันนี่ทางธนุสาหกรรมจังหวัดก็ให้ข้อมูลว่าบ้านเราสามารถที่จะปลูกได้แล้วก็ได้ผลดีกว่าทางทางภาคใต้ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะต้องดูพันธุ นะสายพันธุ์รายละเอียดนั้นเราอาจจะไปขออูที่ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับถ้ามีข้อมูลเยอะในเรื่องนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่กับ เ, เกี่ยวกับชื่อๆคล้ายๆกับทะเลทรายนี่แหละครับนะครั บ, นะรบถ้าเป็นพันธุ์เกี่ยวกับของสุราษฎร์ธานีนะ่ยมันจะถ้ามาปลูกบ้านเรามันจะออกใบนะครับมันจะไม่ไม่ออกโปดมากว่า ง, งั้นนะครับเป็นข้อมูลจะจะเป็นลักษณะ น, นอง น, นี้นะครับ แต่ถ้าใช้พัน์ที่ว่านั้นนะ่ะก็จะให้ผลผลิตสูงมากนะครับสำหรับบ้านเรานะครับแล้วก็ราคาดีนะครับน่าสนใจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโครงการที่ทางศูนย์วิจัยจะ่ทำนั้นนะครับ ก็จะทําเป็นตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนนะครับเข้าไปศึกษาหาความรู้เข้าไปดูตัวอย่างนะครับสามารถที่จะนําเอาความรู้นั้นมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองนะครับเพื่อที่จะทให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารของตนเองด้วยนะครับของประเทศด้วยนะครับเราผลิตพอกินถ้าเหลือกินเราก็สามารถที่จะนำไปขายนะครับไปแจกจ่ายเพื่อนไปแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับ แล้วก็พืชที่เราปลูกกินนั้นนะครับถ้ามันเหลือกินนะครับมีคนปลูกเยอะราคามันก็ตกนะครับแต่ถ้าเราจะเพิ่มมูลค่าก็อาจจะ น, นําไปแปลรูปเป็นพืชเป็นพลังงานนะพืชทดไอเป็นพลังงานทดแทนได้นะครับเป็นเม็ดไอเป็นแอลกอฮอล์สำหรับเติมน้ํามันทํานองนี้นะครับซึ่ง จะมีแหล่งรับซื้ออยู่หลายแหล่งนะครับสามารถที่จะนำไปขายนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปนั้นเราควรจะปลูกพืชประเภทที่สามารถที่จะนำไปเป็นพลังงานทดแทนได้นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาราคาตกต่ำไม่ต้องรวมตัวประท้วงรัฐบาลทุกปีทุกครั้งไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเจตนาของ ทางกมรมธนลักษ์ทางกระทรวงการคลังนะครับที่จะช่วยพี่น้องประชาชนนะครับโดยนําที่ราบดุนั้นซึ่งโดยปกติแล้วนี่ที่ราบดุเขาจะใช้เพื่อประโยชน์ในราชการเท่านั้นนะครับคือก็คือเป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆนะครับต่อมาก็มีแนวคิดว่าส่วนราชการต่างๆก็ยังมีที่ว่างอยู่นะครับบางหน่วยก็มีที่ว่างเยอะไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็ควรจะนำที่ว่างที่เหล่านี้นะครับมาทำให้มันเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนะครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับโครงการนี้นะครับได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงนะครับ M O U การระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวัน ที่เมื่อวานนี้นะครับวันที่30กรกฎาคม2557ที่ประชุมประจําเดือนชั้น5้าสลักลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่นะครับก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้บังคับการหน่วยพิการเคลื่อนที่22ผู้องกลุ่การศูนย์วิจัยและพัฒ น, นาการเกษตรนครพนมและก็ผมธนลักษ์พื้นที่นครพนมนะครั บ, นะร บ, นะรบได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกันว่าเราจะทําที่รับพัสดุแปลงที่กล่าวแล้วแล้วนั่นน ะ, นะเพื่อ จัดทำโครงการทั้ง2โครงการนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะไปเรียนรู้สามารถที่จะไปเป็นตัวอย่างเอามาปรับใช้กับพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับครับรายละเอียดนั้นก็ขอให้ประสานกับธนรักษ์พื้นที่นครพนมที่สำนักงานทนรักษ์พื้นที่นครพนมสากคางจังหวัด อาคารสำนการจังหวัดหลังใหม่นะครับชั้น4นะครับหมายเลขโทรศัพท์ 042-511-102 หนะครับหรือถ้าเป็นหมายเลขมือถือผมโดยตรงก็คือ 081-725-0139 กครับขอบคุณครับครับคุณผู้ฟังครับนั่นก็เป็นเสียงของคุณวิสเ์เสกศิลินะครับธนารักพื้นที่นครพนมครับซึ่งท่านก็ได้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 ในการที่จะนาําเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาสู่พื้นที่นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างในแนวทางที่จะนําไปสู่เรื่องของความพอเพียงนะครับนอกจากนั้นในช่วงต้นรายการนะครับก็ได้รับฟังในเรื่องของการที่จะมีการมอบถุงพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความผลกระทบจากภาวะน้ําท่วมนะครับที่อําเภอสีสงคราม แล้วก็เรื่องของการปลูกไม้ผลยืนต้นครูเดืะต้นนะครับเนื่องในโอกาสสมัยพระเทพรัชดุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบหกพรรษา2เมษา ย, ายน2568จากทางด้านเกษตรจังหวัดนครปนมนะครับคุณนักกิจของทิพย์ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่รายการบ้านเมืองน่าอยู่นะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้ว่าอริศักดิ์เทพาทนั้นท่านก็มีกิจกรรมมี การปฏิบัติราชการต่างๆนะครับมานําเสนอผ่านทางรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับแล้วก็มีทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับไมว่าจะเป็นท่านรองคุมพลบรรเทาทุกข์นะครับรองอสมชายวิทย์ดำรงนะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยในรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ให้ท่านฟังที่อยู่ทางบ้านได้ติดตามรับฟังกเป็นประจําทุกวันพระฤหัสบดีนะครับช่วงเวลา9ก้นาฬิกาสิบาทีถึงสิบนาฬิกาซึ่งก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2นะครับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงวันออกอากาศของรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับซึ่งปะกะติแล้วก็ออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา9ก้นาฬิกาถึงส0บนาฬิกาปัจจุ บ, บันก็เปลี่ยนมาออกอากาศในวันช่วงของวันราชการนะครับคือวันพฤหัสบดีเวลาเดิมนะครับ9ก้นาฬิกาถึงสิบนาฬิกาท่านทั้งฝั่งสามารถจะติดตามรับฟังได้เป็นประจำนะครับมีข้อมูลมีเรื่องราวดีๆครับที่ทางด้านผู้บริหา ร, หรว่าหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมจะได้นํามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับช่วงท้ายรายการก่อนที่จะจากลากันไปกับรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ในวันนี้นะครับทางด้านคุณวีรศักดิ์วิเชียนแสนหัวหน้าสํานัก ง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมนะครับก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอสภาพอากาศนะครับว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้มีการติดตามตรวจสอบ สภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็คาดว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กํลาลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหยอ่อมความกดอากาศตา่าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอา่าวตังเกียนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยนั้นมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอันนี้ก็ แจ้งข่าวมานะครับเพื่อใหอ้มีการเตรียมความพร้อมอถ้าเกิดว่ า, ามีอุทกภัยมีบาตภัยหรือว่าดินถล่มที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักนะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากดินถลม่มสร้างความเสียหายแก่ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรนะครับก็แจ้งว่าติดตามาเรื่องของ การะมัระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในระยะ 1-2 วันนี้นะครับก็เรื่องกันมาเมื่อวานวันนี้ก็ต้องอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอีกวันหนึ่งนะครับว่าอากาศจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาทั้งฟ้าก็ขนองนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเมฆตั้งเข้ามาเหมือนกันนะครับก็คงจะต้องอติดตามข่าวสารหรือว่าติดตามดูความ ความผิดปกติต่งตางๆนะครับเพราะว่าเชื่อว่าก็คงจะเป็นเรื่องหนึ่งที่นครปนมเองก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีฝนตกชุกนะครับฝนตกทุกๆวันนะครับก็ต้องติดตามรับฟังข่าวพยายกรณ์อากาศแบบใกล้ชิดกันนะครับวันนี้ช่วงเวลาของรายการบ้านเมืองน่าอยู่หมดลงแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามารับฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะครับพระอาทิตย์สวัสดีนา9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามรับฟังกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ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 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะว่าวันนี้จังหวัดนครพนมเรามีต้นตุลการท่องเที่ยวอยู่แล้วทั้งในเรื่องของแม่น้โขงที่สวยสดงดงามแล้วก็เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาสรรืบสารมาเที่ยวชมประเพณีของจังหวัดนครพนมเรามีองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญชวนนะครับให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสรารวัฒนธรรมประเพณีแบบร่างเดิมของชาตนครพนมให้คงอยู่สืบไปครับจะอยู่่หางไกลแตใควมดี m i Prasad Kala.